แครู้สึกตัวสิบคนนะคูบาจารย์ยังมองเลยบอกว่าไปรวมกลุ่มกันมาได้ยังไงมากขนาดนี้อนะย่างจริงๆคนไม่ค่ยรู้สึกตัวในโลกคนหลงเกิดมาก็เกิดมากับความหลงนะมีชีวิตอยู่ก็อยู่กับความหลงแล้วก็ตายไปกับความหลงมีแต่หลงกับหลงไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนเรานะให้เราเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานขึ้นมา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 เรารู้ทันว่าจิตกําลังฝันอยู่จิตกําลังคิดอยู่ะเหมือนตอนนอนหลับฝันร้ายเราปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยการรู้ทันว่ากําลังฝันอยู่ใครเคยทําได้ตบบนี้มีไหมมีพยักหน้ากันนุ๊กๆุกนุเนุ๊กงตอนตื่นนี่ยง่ายใหญ่ปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยการรู้ทันว่ากําลังคิดอยู่ <c oughs> กําลังฝันอยู่ถ้าเมื่อไรใจไปคิด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 นะจะมีแรงขึ้นมาตอหลวงพ่อเป็นฆร า, าวาสก็เหมือนพวกเรานะฆร า, าวาสเนี่ยมีปัญหาใหญ่ก็คือขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัตินี่จุดหนึ่งนะวิธีแก้ไม่ให้ขาดความต่อเนื่องก็คือมีวินัยถึงเวลาปฏิบัติทุกวันทุกวันนะไม่ล้าเลยไม่มีข้อยกเวน้นตั้งใจไว้ทุกวันจะต้องภาวนาอย่าง น, นี้จะทําให้เราทําได้ต่อเนื่อง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 ไหนดูท้องพองยุคมีความสุขไปดูท้องพองยุคนะคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็ไปเดินจงกรมไม่ทําด้วยความเคร่งเครียดถ้าเครียดเราใช้ไม่ได้จิตจะไม่สงบนะดังนั้นตอนหลวงพ่อเป็นคาวาะเนี่ยหลวงพ่อก็มีวินัยถึงเวลาภาวนาเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะแล้วทํามสมาธิไม่จริงหรอกรู้ลมหายใจแต่มีบางช่วงเวลาที่เจริญปัญญาไปมากๆานะมันเผลอไปมันเจริญปัญญารวดไปนะ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 เราดูจิตไม่รู้เรื่องตอนนั้นเราทํางานหนักมาแล้วดูจิตไม่รู้เรื่องดูตายเลยก่อนที่จะลุกขึ้นยืนเนี่ยเราขยับมือก่อนคนอื่นเป็นหรือเปล่าเขาไม่รู้นะอย่างหลวงพ่อเนี่ยนั่งเก้าอี้อยู่เวลาจะลุกขึ้นยืนเนี่ยจะขยับมือก่อนหรือคนอื่นขยับเ ท, ท้าก่อนมีไหมถ้าขยับเท้าก่อนหกล้มเลยนะขามันไปก่อนได้ยังไงตัวยังไม่ได้ไปเนี่ยต้องขยับตัวขึ้นมาก่อนใช่ไหมขยับมือล อ, ลองดูที่จิตไหมนะลองไปนั่งเก้าอี้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 ยืนสองขาด้วยนะอืมแหัวเรา <g ül> <g ül> <g ül> ะไรก็เรื่องปกติหรือใครก็ยืนสองขาเ <g ül> นี่ยพอปัปสาสาวะเสร็จใช่ไหมมีความสุขใครเคยปวดฉี่พอฉี่แล้วมีความสุขรู้สึกไหมเขาถึงเรื่องห้องสุ ข, ขานะเข้าไปแล้วมีความสุขตอนเข้าไปโศกโรกยังไงก็เข้าไหวนะอะจําเป็นขึ้นมาเข้าเสร็จแล้วยึดตู้รีบหนีมันมีความสุขแล้ว ตอนที่จิตมันมีความสุขเนี่ยมันดูจิตได้แล้วเห็นความสุขโผล่ขึ้นมานี่กลับมาดูจิตได้แล้วตอนเดินกลับมาทำงานเนี่ยเดินเห็นจิตมันมีความสุขกลับมาเดินแวคุยกับเพื่อนสัหน่อยเนี่ยคุยแล้วสนุกเนี่ยสุขกับสนุกไม่เหมือนกันละเนี่ยสุขกับสนุกไม่เหมือนกันคุยไปแล้วก็ฟุ้งไปนิดหน่อยรู้ว่าฟุงซ่านกลับมาทำงาน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 ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเทารู้หมดเลยพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งรู้หมดเลยนี่รู้เกินกายออกไปอีกรู้ไปถึงพื้นไม่รู้ไปรู้ทำอะไรนะไม่มีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราอยู่แล้วนะอุตส่าห์ดูไปจนถึงพื้นเลยพื้นนี่เย็นพื้ น, นนี้ร้อนนี่แสดงว่าไม่เที่ยงอะไรไกลไปนะอย่าให้เกินกายของตัวเองออกไปดูก็ดูเข้ามาในกายนี้ไม่ดูเกินกายออกไปเสียเวลานะงั้น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 ไนะหลายแวบก็รู้สึกแวบรู้สึกไม่หลายนานหรอกไม่ลงเป็นนานไปคลุกอยู่กับโลกนานนไปแช่อยู่ในกามนานนานไม่เป็นแลนะกิเลสมันอ่อนนะกามมันอ่อนรูปเสียงกลิ่นรสปวดสภาวะทั้งหลายมายั่วให้ใจไปเค้าเคลียได้นานๆเนี่ยยั่วไม่ได้นะมันยั่วไม่ได้สติปัญญามันเร็วเห็นแวบบก็รู้สึกแล้วนะเนี่ยจิตใจมีสมาธิมากขึ้นเนะมีสมาธิปานกลางนะต่อมาพระโสดาเนี่ยท่านเทียบ เมื่อนคนพระโสดาเนี่ยเห็นเห็นฝั่งแล้วว่าอยู่ทางไหนพระสกถาคาเนี่ยคือคนที่เริ่มไหวยน้ำเข้าฝั่งไล่เข้าไปทีละน้อยทีละน้อยนะถ้าโสดาเห็นแล้วฝั่งอยู่ทางนี้เองก็ค่อยๆว่ายไปไหว้ไปวันหนึ่งจะถึงฝั่งนะถึงฝั่งบางคนว่ายเจ็ดชาติก็ถึงคนไม่ถึงเจ็ดชาตินะถ้าถ้าเริ่มเห็นฝั่งอะนะก็ไหว้ไปแต่ถ้าไหวยแล้วท่านบอกไม่เกินชาตินึ่งนะสกทาคา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 รู้ฝั่งแล้วก็ว่ายน้ําไปมก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะั่นเองแต่รู้ได้จิตที่ตั้งมั่นแล้เป็นกลางทำไมหลวงพ่อต้องย้าตัวนี้ใช่ไหมคือสมัยก่อนหลวงพ่อเข้าไปตามสํานักปฏิบัติไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่ามันแฟรอ่ะไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัวมีแต่คนทําสมาธิเค ล, ลิมเคลิมลืมเนื้อลืมตัวนะเห็นโน้นเห็นนี่ยิ่งดีะซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องดีไปเห็นอะไรข้างนอกต้องเห็นกิเลสตัวเองแล้วดีที่สุดเลยะเห็นกายเห็นใจของตัวเองอดีที่สุดะ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 เมื่อไรเป็นจิตผู้รู้มีความสงบเมื่อไรเป็นจิตผู้คิดฟุ้งซ่านไปไม่ดีจะชอบจิตที่เป็นผู้รู้รักตัวผู้รูนะ้เมื่อมันรักจิตที่เป็นผู้รู้นะไม่ชอบจิตที่ฟุ้งซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ติดอกติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปวดทพ่าทั้งหลายภายนอกนะรู้เลยถ้าจิตหลงไปคลุกกับมันเมื่อไหรจิตจะทุกข์เมื่อนั้นนะไปดูหนังไปฟังเพลงไปอะไรเคยมีความสุขจะไม่มีความสุขแล้จะเห็นว่าไร้สาระที่สุดเลย พวกเราหลายคนที่ภาวนารู้สึกไหมตอนนี้โลกจืดๆรู้สึกไหมไร้สาระรู้สึกไหมแต่บางทีก็ยังมีสาระอีกใช่ไหมวันนี้ไร้สาระนะวันหน้ายังมีอีกมันเสื่อมได้อีกนะพราอมยังไม่ได้ตัดด้วยมรคนะันตัดด้วยสติสมาธิปัญญาธรรมดาธรรมดายังไม่ถึงขั้นที่มรคมันตัดนะถ้ามร์ตัดตัดแล้วตัดเลยนะไม่ต้องมาตัดซ้ําอีกแล้วแตเรากปรโ ป, ปรโผล่นะ วันนี้ก็จืดเลยอีกวันหนึ่งจืดก็อร่อยดีเหมือนกันเนาะเนี่ย <N ee> <N ee> พอเราภาวนานะพอเห็นเลยโอ้ โ, โลกข้างนอกไร้สาร ะ, ะรูปเสียงกลิ่นรสตัวสภะเนี่ยนะถ้าไปยุ่งกับมันมีแต่ความทุกข์นั้นจิตไม่ได้ยินดียินรายกับรูปเสียงกลิ่นรสตัวสภาวะแล้วแต่มายินดีพอใจในตัวผู้รู้ น, <N ee> นี่เป็นปัญญาปานกลางนะรู้เลยว่าถ้าไปยุ่งกับโลกนั้นจะทุกข์ถ้าอยู่กับรู้นี่ยไม่ทุกข์นะนั้นใจจะอยู่กับรู้สมาธิบริบูรณ์เลย พระอนาคาท่านบอกศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาปานกลางสมาธิบริบูรณ์คือใจไม่ไหลไม่ไปหาความเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วใจตั้งมั่นสมาธิบริบูรณ์พระอนาคาทุองค์ทรงฌานไหมเข้าฌานตลอดไหมแล้วทําไมบอกพระอนาคาสมาธิบริบูรณ์เพราะลัคนูปนิชฌาดนดะีอารัมปนูปนิชฌาน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 มันเลยไม่ไปมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนแต่บางทีก็หมดแรงเหน่อยหมดแรงเหนื่อยนะจะรู้จะเห็นอะไรนี้ไม่ชัดเจนต้องซ้อมสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่สงบแล้วทําให้จิตมีเที่ยวมีแรงขึ้นมานะจะรู้จะเห็นอะไรเนี่ยชำน้ชํานาญจะใช้สติใช้ปัญญาอะไรก็ว่องไหวขึ้นมาสมาธิคนละตัวนะองระวังนะถัดจากนั้นทํำยังไงมีสติรู้กายรู้ใจ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 คนเราก็โยกไปถวายท่านท่านก็อุตส่าห์นั่งให้เขานะแต่ท่านต้องเอาเท้ายันพื้นไว้กลัวมันโยกนะท่านพูดเท่าแล้วไปนั่งโยกเล่นท่านครงเวียนหัวท่านเอาเท้ายันพื้นไว้นะขัดขาเขายี่ไว้อ่ะเราก็รู้สึกว่า่ท่านน่าุตสารเนาะท่านคอยยันยันแล้วคนก็เป็นห่วงเห็นท่านแก่นะเอาไม้เท้าไปถวายอันเบลล์เลยนะไม้เท้าหัวมังกรด้วยเหมือนที่สวนสันติธรรมที่ทําไว้นั่นแหละ เวลาท่านไปไหนมาไหนนะท่านก็ขี่วไม้เท้าไปไม่เคยยันนะต้องแบกไม้เท้าไปเรื่อยๆถามหลวงปู่ทาไมต้องไปยกไม้เท้าไปก็เขาเอามาถวายสงสารเขาไปไหนก็แบกไปเราเลยสงสารท่านอีกจริงนะวันหนึ่งไปนั่งอยู่กับท่านะท่านก็บอกให้กับป่ารพบธรรมะขึ้นมาหลวงปู่ดูลนีแปลกอย่างนะหรือครูบาอาจารย์อื่นก็เหมือนกันนะอยู่ๆถ้าเราอยากฟังของดีของวิเศษเนี่ยอยู่ๆไปนั่งถามเนี่ย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 ส่วนมากไปเป็นผีใหญ่ท่านพูดแค่นี้เป็นผีใหญ่ผีใหญ่คือไปเป็นพรหมนะคือทําแต่สมาธินะจิตไปถึงตัวผู้รู้นะถึงเป็นท่าหนาคขานะก็มาอยู่ตรงเนี้ยมารักษาตัวผู้รู้ไว้มาห่วงแหนตัวผู้รู้ไว้เอาตัวผู้รู้เป็นที่ฝากเป็นฝากตายห่วงที่สุดเลยรักที่สุดเลยคือตัวผู้รู้เพราะเมื่อไหร่เป็นตัวผู้คิดนะก็เมื่อนั้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นตัวผู้รู้ไม่มีความสุขอ่ะก็เลยยินดีพอใจในพบ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 ไปดูเอ๊ะทํายังไงทําไมมันเศร้าหมองขึ้นมาได้จะต้องหาทางแก้แลนะเพราะอะไรต้องแก้เพราะตัวผู้รู้นี่แหละเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของเราหวงแหนที่สุดเลยนะงั้นจะต้องหาทางแก้ไขแต่แก้ยังไงก็แก้ไม่ตกนะพยายามเท่าไหร่เท่าไหร่นะแทนที่ว่าพอรู้ปั๊บแล้วมันจะหายไปเหมือนกิเลสหยา บ, ยาบๆอื่นๆมันไม่หายแล้นะมันกลายเป็นตัวทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและจริงๆตัวทุกข์ตัวนี้ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ใช่กิเลสอนะ่ะ ตัวทุกข์มันไม่ใช่กิเลสเนี่ยนะเป็นสภาวะแท้ๆของตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์นะั น, นดูยังไงก็ไม่หายเหมือนดูไฟอะดูยังไงมันก็ไม่หายร้อนนะมันก็ต้องร้อนอยู่อย่างนั้นเองนะดูไปเรื่อยนะจนกระทั่งเหมือนจะตยายเลยก็ทนเอาครูบาอาจารย์บางทีท่านถึงสอนบอกว่านิพพานอยู่ฟากตายนะท่านนิพพานอยู่ฟากตายเอทนเอาตายก็ตายตายแล้วก็ไม่เลิกปฏิบัตินะเบ้ารู้อยู่ดูลงไปเรื่อย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 พอไม่ยึดมันไม่มีอะไรให้ยึดอีกแล้วในโลกนี้เพราะสิ่งสุดท้ายที่ยึดไหมก็คือตัวผู้รู้นั่นเองบางท่านเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ก็ยอมทิ้งไปบางท่านเห็นเป็นอนัตตาไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรที่จะเอาไว้ท่านโยนทิ้งไปเลยวางไปสลัดคืนให้โลกไปแล้วทําลายตัวรู้ไปวิธี ท, ทาลายตัวรู้ก็เห็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นตัวรู้เป็นไตรลักษณ์เห็นด้วยจิตด้วยใจจริงๆงั้นการภาวนานะพวกเราอย่าทิ้งหลัก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 เรารู้สึกมากเข้ามากข้าวสาวไปเผลอตัวอยู่พอร่างกายขยับปั๊บเนี่ยสติเกิดเองเลยนี่เราต้องฝึกนะจกนกระทั่งสติอัตโนมัติเกิดขึ้นหรือจะดูจิตโดยใจก็ได้หัดดูไปจิตมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้จิตมีกิริยาอาการอะไรเกิดขึ้นก็รู้ดูจิตเราดูสองอันนะอันหนึ่งดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นมีความสุขมีความทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลเนี่ยดูความรู้สึกต่างๆที่เกิด็นจิต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 เคยเห็นไหมลองยกมือสิมีซิมีไหมมีไหม ม, ม, มีพวกยกอยู่แค่นี้โโยเยอะเลยยกมากไม่ได้มาแต่เช้าไม่ได้อับน้ำํำเนี่ยเราหัดรู้ไปด้วยนะฝึกทุกวันทุกวันจนสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติตรงที่อัตโนมัติเนี่ยไม่เจือด้วยความจงใจตรงที่ภาวนาสติสมาธิปัญญาทํางานเองโดยไม่จงใจนะ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 พวกนี้เยอะนี้ยังนี้ครับเนาะหัดนะหัดแล้วโรคมันจะจืดถ้าโลกมันจืดได้นะใจมันจะหิวน้อยลงเวลานึกถึงอาหารอร่อยๆมันอยากกินใช่ไหมนึกถึงอาหารที่ไม่มียไม่เอาไหนเลยอ่ะกินกันตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยากกินไหมไม่อยากใจนี่เหมือนกันนะโลกมันจืดแล้วโลกเป็นอาหารที่ไม่อร่อยอีกต่อไปแล้ว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 ธรรมะจะรักษาเราจากผู้ประพฤติทธำธนะถ้าเราประพฤติทธำธให้สมควรแก่ธรรมะเราจะไม่ทุกข์โลกนี้ทุกข์จะตายไปโลกนี้แปรเปลวนตลอดใช่ไหมเราคนไทยอยู่ดีๆทางโน้นนิวเคลียร์ระเบิดเลยขึ้นมาอีกนะเราก็นั่งกลุ้มใจว่าจะถึงบ้านเรา ไ, มไหมอะไรเงี้ยคอยฟังข่าวพวกหนึ่งก็แรล้งหลอกว่ามาถึงฟิลิปปินส์ละจะถึงเมืองไทยละถึงที่ไหนก็ถึงไปแต่ไม่ถึงสวนสันติธรรมหรอก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 แล้วก็จะไหลไปไห ล, ไ ป, หลไปจนกระทั่งหมดชั่วโมงอะครับฮะเต็มชั่วโมงตั้งทีเดียวเหรอครับตั้งครั้งเดียวเองเหรอน้อยมากนะครับออต้องช่วยมันหน่อยถ้าอยางนั้นแสดงว่าสมาธิยังไม่พอนะครับต้องทำฝึกหน่อยอาจจะต้องช่วยนะบริกรรมกำกับเข้าไปพูดโทเข้าไปด้วยจะได้ไม่หนีคิดหนางครับของโยมถ้าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าใจมันช่างคิดเหลือเกิน ท่องพุทโธไปแทนที่ให้มันคิดสเปสสปะให้มันคิดถึงพุทโธไปถึงพระพุทธเจ้าคใจจะได้ไม่หลงนานต่อไปเวลาเดินก็เดินด้วยความรู้สึกตัวเวลานั่งก็นั่งด้วยความรู้สึกตัวผมผมมีคําถามหนึ่งฮะเมื่อนานมานไปแล้ผมลองปฏิบัติก็คือทําเองน่ะฮะก็คือนั่งสมาธิแล้วกดข่มทําอยู่สักกดข่มกดจะจิตให้อยู่ยิ่งน่ะฮะทําอยู่สาวันเนี่ยนะฮะ จิตมันมันรวมไงพอรวมปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายมันสูงยาวมาก น, นะฮะแล้วตอนนั้นก็ตกใจกลัวก็เลยรีบออกมาจากตัวสมาธิอย่าไปกดะะอยไปกดอย่ไปกดมันนะครับเอถ้าจิตเป็นสมาธิจริงๆมันไม่รู้สึกว่าตัวยืดไปหรอกแต่อาจจะรู้สึกว่าตัวใหญ่อืตัวพองใหญ่เต็มโลกได้นะครับแต่ไม่ใช่ยืดเป็นเปลือกนะผอมๆที่มันเป็นตัวงอกไม่เป็นหรอกยังไม่เคยเห็นครับแล้วแต่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 นะเวลาออกจากสมาธิแล้วเหมือนคนงัวงเงียนี่ใช้ไม่ได้เลย แ, ลแสดงว่าไปนั่งหลับอยู่ข้างในแล้วถ้าผมจะทำสมาธาโดยวิธีแบบกดข่มแบบที่เคยทำเน<ม>ี่ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยไปข่มเลยนะเข้าพุตโธไปดีกว่าแล้วมันสงบของมันเองครับะจต่างพวกเราสู้หลวงพ่อไม่ได้พวกเราต้องเดินจงกรมหลวงพ่อนั่งก็กลมนะอ้าวคนที่สอง นวัตกรรมค่ะหลวงพ่อเพิ่งส่งกันบ้านหลวงพ่อไปเมื่อตอนเดือนที่เชียงใหม่อะค่ะเนื้อทะไมส่งบ่อยนัล่ะก็มี ม, มีมีทั้งกันบ้านมาส่งเพิ่มแล้วก็มีความปิดขัดด้วยค่ะเออวามาก็วันนั้นหลังจากกลับไปก็คือคือ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 อ่าก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยเราต้องทุรนทุรายเราต้องเจ็บปวดไงอะ อ, อย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละกระบวนการทํางานของจิตละนะพอมันไปรู้อารมณ์นะก็มีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเราส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วก็แปลกความหมายก็แปลความหมายแล้วก็ตกลงใจแล้วต้องตื่นเต้นหน่อยต้องตกใจหน่อยแล้วก็เกิดความกุ่มใจกังวลขึ้นมานะนั่นเป็นวิธีของจิตแต่แต่แต่ว่าเมื่อก่อนเวลาเกิดเวทนาค่ะก็จะเป็นทุกข์มากแต่เดี๋ยวนี้ย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 นี่เราไปคิดได้ว่าต้องปวดก่อนคือมันมันจะเห็นชัดอะค่ะเวลามันเห็นชัดใช่มันอย่างโกรธนะความโกรธเนี่ยเห็นชัดกว่ากิเลสตัวอื่นะเในบรรดาเวทนานะความทุกข์ก็เห็นชัดกว่าตัวอื่นนะเห็นชัดกว่าตัวสุขเห็นชัดกว่าตัวอุเบกขาถ้าตัวมันอุเบกขานะนึกว่าไม่มีเวทนาเลยที่จริงมีพีทีเนี้ยค่ะมันมันติดเหมือนกับเหมือนว่า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 ขยันจะได้อย่างที่คนขยันนะพอดีกับคนขยันไม่มีมากไปน้อยไปอายุที่ทาที่สุดเลยกราบนมัการหลวงพ่อครับผมมาส่งการบ้านในรอบเก้าเดือนนะครับคือหลวงพ่อบอกว่าให้เรารู้หลักแล้วช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดแต่หลักที่ผมภาวานาอยู่นี่ผมยังไม่รู้ว่าผมตกตกไปหรือเปล่าเข่งไหมเข่งไหม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 ลองดูไปเรื่อยๆนะสภาวะทั้งหลายมีแต่เกิดเราก็ดับเท่าๆกันแหละไม่มีดีมีเลววกันหรอกขออีกนิดครับผมยังมองจุดอ่อนผมไม่ออกหลวงพ่อจะติดเพ่งไหงอย่เพ่งไว้อย่าไปเพ่งเหมือนเนาะขอบพระคุณนะไม่มาสกาดหลวงพ่ออย่าไปข่มมันอย่าไปกดมันนะรู้ไปสบายๆรู้สบายๆแล้วมันฟุ้งซ่านก็รู้ทันว่ามันฟุ้งซ่านไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องอาศัยอยู่กับพุทโธก็ได้ พุทโธไปหรือไม่ชอบพุดโตเอาอย่างอื่นก็ได้นะรู้ลมหายใจก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าจิตหนีไปแล้วรู้ไม่บังคับนะถ้าบังคับมันจะแน่นๆเอาคุณติดบังคับนิดหน่อยนะแต่ไม่แรงมากหรอกน้าเชิญน้าสกาลหลวงพ่อค่ะจะถามให้คุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วก็มีทุกขเวทนาทางกายเยอะมากแต่หนูก็สอนให้ท่านตามดูลมหายใจแต่ว่า คุณแม่จะเผื่อนานมากค่ะ ะ, ะคุณแม่จะเผื่อนา น, นะค ะ, ะวันหนึ่งแล้วถ้าสมมุติหนูอยู่กับท่านก็จะอบอกเรียกท่านแล้วก็ถามท่านว่าเผือไปแล้วรู้ไหมท่านก็บอกว่ารู้แต่ว่าก็หนูไม่แน่ใจว่าจะทำย<ม>ังไงให้คุณแม่ แ, แม่เคยภาวนาไหมไม่เคยค่ะแต่คุณแม่สวดมนต์เก่ง<น>ะ<ล>ชวนชวนแม่สวดมนต์ไปเรื่อยๆะนะให้ใจเขาค้าอยู่กับกุศลที่เขาเคยชินไหม นะไม่ขาดทุนหรอกแล้วแล้วแบบว่าเหมือนกับพอให้คุณแม่เขาแยกเวทนาทางกายว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งแยกได้ไหมแยกได้บ้างไม่ได้ค่ะคุณแม่อยู่นั่งหยุดใส่หน้าตัวค่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกก็ก็ดูไปเรื่อยๆนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยก็ส่วนหนึ่งใจของเราเป็นคนดูก็ส่วนหนึ่ง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 กลับนมัสการค่ะกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อเมื่อห้าเดือนที่แล้วอะค่ะหลวงพ่อบอกว่าหนูจิตไม่ตั้งมั่นนะค่ะแล้วก็ไม่เดินปัญญาค่ะให้ไปคิดนำอะค่ะงั้นช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาหนูก็เอใช้ไปดูหลงคิดหลงรู้อ่ะค่ะเมือถึงหลงไปแล้วก็รู้แล้วก็ให้ดูถ้ามันเกิดก็บอกเอ๊ะมันเกิดแล้วนะเห็นไหมมันดับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างงี้คือใช้คิดนําหรือเปล่าคิดนำแหละอย่างนั้นแหะค่ะ เพราะงี่วหลังก็คือรู้สึกว่าตัวเองจะคิดนําน้อยลงนะค่ะหลวงพอ่อมันไม่ต้องคิดนําต่อไปนะเพราะมันจิตเคยชิตที่จะรู้ธัรมัน้มันก็รู้ของมันเองละไม่ต้องคิดนําก็คือมันจะหายของมันไปเองนี่ค่ะหลวงพอ่อใช่ก็คือสิ่งที่หนูทํามาตลอดห้าเดือนก็คือถูกต้องถามหน่อยห้าเดือนนี้แก่ห้าเดือนก่อนต่างกันไหม ต, ต่างค่ะหลวงนั่นแหละคือเครื่องวัดผลเรารู้ด้วยตัวเราเองได้นะ หลวงพ่อคะแล้วอย่างเวลาหนูเดินตรงกลมนะคะก็คือบางทีเนี้ยก็จะรู้ว่าตัวเองเดินค่ะบางทีก็จะไปรู้พุตโธรบางทีก็ไปรู้ลมหายใจอะค่ะซึ่งแต่ละครั้งก็คือมันจะตกแค่คือรู้แล้วค่ะว่าคือมันจะรู้แค่อย่างเดียวอะค่ะแต่มันจะเวียนสามอันเนี้ย่ะได้รู้อะไรก็ได้นะแต่เห็นทุกอย่างเกิดแล้ดับหมดเลยอ๋อค่ะขอบคุณค่ะกลับน้อสการหลวงพ่อครับคือมาส่งการบ้านครั้งแรกครับอ่า บอกเรื่องสภาวะเลยนะครับเพราะว่าก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่ อ, อพูดในซีดีนะครับก็เดินจงกรมบ้างไม่ได้นั่งสมาธิเลยแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งทานั่งฟังฟังธรรมเนี่ยฮะแล้วก็เกิดสภาวะรู้เลยว่าหาตัวตนไม่เจอเห็นแค่ว่ามันมีความคิด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 คิดเรื่องนี้มันทุกข์ขึ้นมารู้ทันคิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงรู้ทันเพราะว่าถ้ารู้ไม่ทันนะความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงนั้นมันจะมาครอบงำจิตแล้วถ้าเกิดผมเดินจงกรมแล้วไม่บริกรรมได้ไหมครับได้ถ้าไม่เผลอนะถ้าเดินแล้วใจลอยเออเราเหยือไปเรื่อยไม่ ด, มดีเดินจงกรมก็เดินด้วยความรู้สึกตัวจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมไม่สาคัญหรอก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 แต่แอย่าไปประคองนะถ้าประคองแล้วมันก็อยู่ตัวนี้ไปทั้งวันอย่างเงี้ยไม่ดีแล้วก็ตั้งแต่ฝึกมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าบางครั้งเวลาส่องกระจกอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลัวตัวเองเป็นบางครั้งมันเรารู้สึกเห็นคนแปลกหน้าแล้วใช่มันไม่ใช่เราะนะดีขอบคุณค่ะกราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับผมก็ เริ่มฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยมาประมาณปีครึ่งครับแล้วก็ได้เริ่มปฏิบัติเนียมาตั้งแต่เริ่มฟังก็สวดมนต์คือผมเป็นคนที่ชอบสวดมนต์แล้วก็สวดไปเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิต่ออ<ม>ืมก็เคยมีครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนกับว่าจิตเนี่ยแยกออกจากจากร่างกายเนี่ยอืแล้วมองเห็นร่างกายเนี่ยเหมือนเป็นท่อนไม้หรือเหมือนเป็นวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่ ง, <ม> ซ, งซึ่งมันไม่ใช่เราแล้วก็เ อ, เ อ, อพอหลังจากนั้นมาเนี่ย ก, ก็ก็ไม่เห็นอีกเลยอ ก็ปฏิบัติมาเรื่อยก็ก็คือรู้พยายามรู้ว่าเอ๊ะหลงไปอีกแล้วหลงไปอีกแล้ว<ม>พยายามรู้ทั้งวันเพราะว่าเวลาทำงานบางทีก็มีเรื่องหงหุดหงิดบ้างอะไรบ้างก็พยายามคิดอะไรไม่ออกก็พุโทโธครับบางทีคิดอดดะไรไม่ออกก็สวดมนต์<ม>ครับก็พยายามทำแล้วก็คืออยากจะเียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยพอจะไปได้ไหมแล้วก็รีสิ แล้วพอจะไปไหวไหมพอจะไปถึงปากฝั่งได้ไหมเอาภ<อ> า, า ก, ากเรียนทาเนาะดูนะถึงเวลาทาความสงบเข้ามาสวดมนต์ไปให้จิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วดูจิตทางานดูกายทางานไปเรื่อยนะเห็นร่างกายไม่ใช่เราทำไมมันเห็นได้ทีเดียวเพราะมันอยากเห็นอีกถ้าอยากเห็นมันไม่เห็นหรอกใจมันอยากสลสติไม่เกิดครับงั้นรู้สึกเล่นๆไป เนี่ยนั่งพยักหน้าเห็นไหมเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายอ้าปากเนี่ยเนะีย่ยดูมันไปนะครับครับกลับขอบคุณครับเจะเห็นในมันไม่มีตัวเราหรคือภาวนาเป็นนะจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเรากราบน้บสัสกัดครับเออผมสังเกตตัวเองว่าเวลาถ้าทานอาหารแต่ละมื้อเยอะๆไปหน่อยมันก็จะง่วงมันก็มีผลกับการปฏิบัติ เออทาให้ให้ปฏิบัติลําบากครับใช่ใช่พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วน่ะครับแล้วอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าผมเหมาะกับทุกขาปฏิปทาหรือเปล่าครับหรือต้องทำให้ลําบากไหมกินอาหารอิ่มเกินไปไม่ใช่สุขาปฏิปทาหรอกนะครับกินพอดีพอดีครับนบางบางมือก็คืองดได้ก็ดีใช่ไหมครับก็ดูนะอย่าให้ร่างกายชํารุดไปครับแล้วตอนบ่ายบางทีแอบนั่งสมาธิชาร์จแบตที่ทํางาน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 แม้ว่าจะไม่ตอบแบบนี้แล้วนะ <c oughs> จิตไหลไปเรารู้ไหมล่ะก็รู้บางคังขณะนี้จิตถึงฐานไหมฐนนี้จิตถึงขณะนี้ขณะนี้ลองย้อนไปดูจิตซอดูจิตได้ไหมหรือมันเด้งออกมันเหมือนเพ่งเข้ามาครับ<ต>มันมันต้องบังคับไงมันไม่เข้าหรอกมันต้องพยายามฝืนพยายามบังคับ ขณะนี้ยจิตมันไม่ถึงฐานจิตมันไม่ตั้งมั่นจิตมันกระจายออกนอกถ้า<ม>นะให้เรารู้ทันเนี่ยในจิตนี้ไปคิดบ้างจิตมาคอยฟังหลวงพ่อพูดบ้างนะจิตมันมาอยู่ข้างนอกมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเราเองงั้นถ้าเรารู้ทันเวลาจิตออกนอกนะั้นมันจะกลับเข้ามาเองนะจิตจะตั้งมั่นสมาธิก็จะดีขึ้นอแล้วก็อีกข้อนึงครับวิหารธรรมควรเป็นพุโทโธหรือว่าดูลมหายใจดีครับอะไรถนัดเอานั้นแหละ หายใจแล้วหลับไหมหายใจแรกๆสังเกตว่าถ้ามันถ้าดูลมหายใจเลยมันไม่ดีครับต้องพุโทโธไปก่อนพอจะิมันเริ่มเป็นสมาธิมันจะมาดูลมหายใจง่ายกว่าออใช่ถูกแล้วละมันจะทิ้งพุโทโธไปนะอย่างนั้นแหละทาอย่างนั้นลนะอ๋อครับถูกแล้วละขอบคุณครับหลวงพ่อแต่ก่อนก็อย่างนั้นแหละหายใจไปพุโทโธไปนะเสร็จแล้วมันทิ้งพุโทโธไปเหลือแต่ลม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 จิตที่มันเข้าไปปรุงอยู่ตอนนี้คะ่ะเบื่อตัวนี้ไม่ใช่นิพพิทาหรอกเมื่อตัวนี้เป็นโทสะนะหงุดหงิดมันลำคันมันใช่เป็นกิเลสนะชื่อกจจกุบจับเป็นลูกของโทสะจริงแล้วก็คือต้องทำรู้<า>ไปให้รู้ทันว่าจิตไม่เป็นกลางหรอกอมไม่ชอบเลยที่มันเป็นแบบนี้ ใ, นะให้รู้ทันตัวนี้นะค่ะมรรคการครับหลวงพ่อ อารมณ์นูปิทิชาน<ะ> อ, อารมณมนูปฏิชานอารมอารมมนูปฏิชานี่กันลักขณูปิิชาเนี่ยผมก็ลองทําดูอารมณมนูปฏิชานเน่ยว่า ม, มันไม่อยู่ฮะมันจะเป็นหนึ่งนะหนึ่งกับหนึ่งนะแต่หนึ่งไปหนึ่งมาเป็นหนึ่งอย่างนี้อันนี้คืออารมณ์ปุ๊บลงไปนี่อารมณูปิิชานแล้วแล้วมันทําไม่ได้เป็นอะไรไหมฮะไม่เป็นทำแล้วมันก็อยู่อย่างเนี้ อย่างนั้นแหละดีให้จิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูนะเห็นสภาวะแต่ถ้าสภาวะอันเดียวเนี่ยจิตที่ตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างเนี้ยนะก็สงบได้นะเวลาสงบไม่ทิ้งตัวนี้ไปตัวนี้รวมรวมดวงตรงนี้เลยครับผมผมผมรู้สึกอยู่อย่างนี้ดีไหมครัอย่างนี้ไปแหละไปเออมไม่มันไม่ตั้งมั่นเหมเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้ลหลวงพ่อถามเห็นถล่มไหมผมก็ผมต้องถล่มแน่เลยต่ผมไม่รู้ อของคุณมันถลําไปคิดมากกว่ามันชอบสลําไปคิดมากกว่านะ ม, มันเป็นคนชอบคิดฟุงๆไปครับะให้รู้ทันอยากจะบริกรรมไว้เรื่ออะไรไว้ก็ได้ช่วยมันหน่อยอมไม่ให้มันถลําไปคิดนานครับคราวนี้หลวงพ่อมีบอกว่าพยาไม่หากรรมฐานที่อยู่แล้วมีความสุขมันก็หาไม่เจอมันก็เฉยๆไปหมดอย่างเงี้ยครับอืมเท่าพุโทโธไปก็ได้ทําอะไรไม่ได้ทนะ่องพุโทโธพุโทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดแล้วค่อยรู้เอา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 จิตสงบก็รู้พุโทโธไปแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้พุโทโธแล้วจิตสงบก็รู้แค่นี้แหละครับคขอบคุณครับการนมัสการค่ะหลวงพ่ออืมก็อได้เห็นกายเป็นตัวอะไรอยู่อยนะู่ได้เห็นกายเป็นตัวอะไรสักอย่างที่เคลื่อนเลื่อนไหวในตอนต้นตีอนะคะ<อ>พร้อมทั้งร่างกายของคนอื่นด้วยอืทีนี้เนี่ยก็ ก็ก็หยิมใจอยู่พักหนึ่งแล้วก็ภาวนาไม่ได้ไปพักหนึ่งทำไมละ่ะ เ, เข้าใจว่าคงโลภว่าไปอยากเห็นอีก อ, อ, อยากไม่เห็นหรอกแต่หลังจากนั้นพอเราไม่ได้อยากมันก็จะเข้ามาขึ้นมาเนือ ง, งเมื่อไม่นานมานี้ได้เห็นความกโกรธ ด, ดับไปครั้งหนึ่งทีนี้ตรมนานเลยคงเป็นเพราะว่าอยากเห็น ค่ะทีนี้นี่ไม่ส่งกันบ้านครั้งก่อนได้ส่งแล้วหลวงพ่อแนะนำในเรื่องของความเพลินในสุกก็ช่วยได้เยอะค่ะอตอนนี้ติดขัดอยู่เรื่องของนิวรังวันไม่ค่อยมีปัญหาก่อนกลางคืนจะรู้สึกว่าจะฟุ้งง่ายก็ก็ทำให้ส่งลงไปอีกอยู่บ้างจิตมันฟุ้งก็คือจิตมันจะหนีไิชิดนั่นแหละนี่มันคิดสเปสสปะไป นะแทนที่เราจะให้มันคิดสเปซสปะนะเราพามันคิดเรื่องดีๆไปคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงอะไรที่เราทำมาดีๆก็ได้นะที่รู้สึกแย่เพราะว่าเหมือนฟุ้งในความชอบอนี้นะคะไั่นแหละมันเรื่องของเก่าเรานะมันติดสุขนะก็แค่รู้ทันมันแหละมีเพื่อนที่ปฏิบัติไปได้ไกล เขาแนะนำว่าให้หนูไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับนิวรณเพิ่มเติ ม, มนิวรณทั้งหมดนะเป็นความฟู้ของจิตนะนั้นเราบริกรรมไปเรื่อยๆก็ได้แล้วจิตไหลไปเรารู้ไหลเรารู้นะสมาธิเพิ่มขึ้นนิวรณ์ก็หายไป อ, อสุดท้ายค่ะหลวงพ่อหนูควปฏิบัติในตอนนี้นี่หลวงพ่อมีต้องปฏิบัติให้เยอะเลยขยันขยันนะขอบคุณค่ะปวดเลาะเลย นวัต ก, การเจ้าค่ะหลวงพอ่อยอมปฏิบัติธรรมมาเข้าวัดประมาณยี่สิบปีเห็นใจได้แล้วก็ได้ตอนหลังได้ฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณเจ็แปดเดือนแล้เห็นว่าตัวเองเนี่ยโท่สะแรงโกรธแล้วก็เอาเต่ใจตัวเองอเห็นตัวเองไม่ดีแล้วก็ชอบไปตักเตือนว่าคนอื่น อ, อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลา โยมก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมไหว้พระทุกวันนั่งสมาธิแต่บางครั้งก็กำลหดงดูลมหายใจแล้วก็เคลื่อนมาที่ดูความเพื่อมเพื่มที่ท้องแล้วก็มาดูที่ใจว่าบางครั้งก็เห็นความแวบไปหลงไปบางครั้งก็ไม่เห็นบางครั้งมันนานก่ก็จะเห็นทีสวดมนต์ไหว้พระบางทีก็หลงไปอะไร่เจ้าค่ะคือโดยธรรมชาตินะโยมถ้าคนเราเนี่ย อายุถึงห้าสิบแล้วเนี่ยถ้านั่งสมาธิแล้วมักจะเคลิ้มง่ายเราต้องพยายามเคลื่อนไหวไะ้หลวงพ่อนะแต่ก่อนตอนบวชเนี่ยโมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่นะมีภาระเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กว่าจะหมดภาระนะมันได้บวชอายุสี่สิบแปดแล้วนั่งสมาธิแล้วจะหลับงง่ายๆพอเหนื่อยๆขึ้นมันจะหลับออกหลวงพ่อนั่งพัดนะมีพัดอยู่นยเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ปล่อยให้มันเคลิ้มหรอกเคลิ้มเดี๋ยว เพิ่มทีหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงออกเลทไปเลยบางครั้งทําไมเผลอ ร, รู้สึกเผลอนานบางครั้งก็เผลอแั่ห้านาทีเจ็ดแปดนาทีนานมาได้ไ <ป S 2> ว่าโอ้นี่เผลอไปแล้วนะสวดมนต์ผิดแล้วนะนอะเจ้าค่ะนะเขต้องเพิ่มสติขึ้นนะเพิ่มสติขึ้นรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดนึงใจมันใจมันไหลไปสติมันอ่อนไปเจ้าค่ะแล้วควร หลวงพ่อมีวิหารธรรมอะไรให้โยกดูกายไหมเอากายไหม <Okay. S 1> นะพออายุเยอะขึ้นเนี่ย mm hmm. ดูจิตตรงๆยากแล้วดูกายไปถ้าดูจิตอย่างเดียวมันละเอียดไปนะัเดี๋ยวจะเคลิมง่ายเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะหรือถ้าเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนแล้วยังจะเคลิมอีกนะคิดพิจารณาร่างกายไปเลย เมื่อก่อนเราเป็นสาวเราเป็นเด็กเราแข็งแรงวันนี้ตอนนี้แก่เท่าลงอะไรอย่างเงี้ยนะพิจนายิ่งไม่นานก็ตายอะไรเนี้ยให้จิตมันทํางานไม่ให้มันอยู่เฉยนะไม่ให้มันซึมแล้วบางครั้งก็เห็นรู้สึกตัวเองเนี่ยมันเบื่อหนายปวดนู่นปวดนี่เจ็บนู่นเนี่ยมันเบื่อด้วยโทสะนะมันไม่ชอบดอกเลยเบื่อเลยอยากหนีไปในป่านั่งอยู่ในป่าก็เมื่อยนะเมื่อยู่ในป่าไม่เมื่อยเมื่อไหร่ล่ะ เจา้าค่ะนะไปดูไก่<ร><ร>ให้เยอะไว้นะพะเอาไก่มาช่วยนี่กี่คนนคะครับกลับนวมบุการหลวงพ่อเจา้าค่ะแต่เดิมหลวงพ่อเคยทักว่าติดนิ่งอะค่ะปัจจุบันนี้ก็รู้สึกตัวได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่เจา้าค่ะหลวงพ่อมีอะไระแนะนําก็รู้ว่าดีวมันดีจริงเปล่าบางทีก็ร้ายค่ะโอ้ก็เรียกว่าเป็นคนดีบางคราว ร้ายบางคราวไม่มีใครดีตลอดร้ายตลอดหรอกนะแต่ดูให้ตรงความจริงก็แล้วกันเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นไหมบางครั้งเยอะเลยค่ะเอานะเรามีความเห็นว่าอย่างนี้ถูกก็คนอื่นไม่เห็นเหมือนเราก็มโมโหเลยเป็นบ้างไหมบ่อยๆค่ะเอานั่นแหละไปดูบ่อยๆอย่างนั้นแหละนะครบขอบพระคุณค่ะเวลาจิตมันไปยึดในความคิดความเห็นนะรีบรู้ทันเลยนะค่ะนวมัสการหลวงพ่อค่ะเอส่งการบ้านครั้งนี้ก็ครั้งที่สองค่ะ ครั้งแรกส่งเมื่อปี52นะคะค่ะหลวงพ่อทักว่าตอนนั้นหนูบอกหลวงพ่อว่าห น, หนูเห็นความคิดบ่อยมากแล้วหลวงพ่อทักหนูว่าเห็นกิเลสไหมหนูก็คิดว่าอ๋อหนูคงใส่ไปจมอยู่กับความคิดเยอะหนูก็เลยกลับมาดูตัวเองอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เห็นกิเลสเยอะมากแล้วก็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 หนูก็ไม่รู้ว่าแบบเออทําไมเป็นแบบนี้หรือจิตหนูกระโจนเข้าไปตรงนั้นแล้ว อ, อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วความโกรธ ด, ดับไหมไม่ไม่ดับอยู่นานนะคะหลวงพ่ออ๋ออย่างนั้นเรียกโกรธจนหน้ามืดเลยใช่ใช่ค่ะหลวงพอ่อมันอยู่นานเลยอคะ่ะห <c oughs> ้ามมันไม่ได้ค่ะนะมันยิ่งใจที่ไม่ได้บังคับนะเราไม่ได้ติดเพ่งเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติของมันคนในขี้โกรธมันก็โกรธแหละ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 ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวนี้เราใช้วิธีถามถ้าสมมติว่ามันปุ้งเรากลับมาต้องกลับมาดูใจเลยใช่ไหมคะหรือว่าฟุงก็รู้ว่าฟุ้งซ่านนะหรือแค่รู้สิหรือ <ๆ S 2> ถ้ามันปุ้งแรงเนี่ยจงใจกลับมาดูมันไม่ยอมนะมันอยากคิดมากเลยแทนที่จะให้มันคิดสเปสสปาแล้วให้มันคิดในเรื่องของธรรมะไปะแต่ว่าไม่พูดนะคบางคนใช้วิธีบอกมีเครื่องอยู่คือพูดธรรมะเจอใครก็พูดไปเลยไม่มีใครก็อยากฟังงั้นไม่เอา ทำมาเป็นของสูงไม่ไปพูดเล่นนะแต่ดูใจนะคิดที่นาดูกายดูใจที่นาไปด้วยร่างกายนี้สวยจริงอย่างที่เราคิดไหมไ ม, มันสวยงั้นมันงามจริงไหมเนี่ยลองไล่ดูน ะ, นะจะได้ไม่ฟุ้งมากค่ะขอบคุณนะขอบพระคุณละค่ะเราส่งกันบ้านครบสิบห้าท่านแล้วนะครับก ช่วงสุดท้ายนี้ผมขอเป็นตัวแทนทุกท่านในสาราลุงชิงแห่งนี้ร่วมกันถวายทานที่มีผู้นามาเอ้าวานะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัิจัยจรยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจา ร, รย์ประโมทปาโมชโชขอพระอาจา ร, รย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลและนานเทิน ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตจินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิปเมวาสมิจตุสเพปูเรนตูสังก ป, ปาจันโตปั น, นรโสยถ า, ามณีโชติรโาโสยะถาสัพพีตโยวิวัชจันโตสัพรโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายโยโภพวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปัจจายิโนจตารโรธรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง